ตัวกรรมาฐานจริงๆนะมันไ ม, มไม่มีการขอไม่มีการเข้าไม่มีการออกมันต้องทําอยู่ๆนั้นตลอดเวลาคนใดลักการลักงานลักหน้าที่คนนั้นเนี่ยเสื่อเป็นคนเอาจริงเอาจังคนโบราณขาเจ้าสอนเอาไว้ควรมซื่อสัตย์เป็นสมบัติของคนดีหากคนใดไม่ซื่อสัตย์ จะเอาดีไม่ได้คนใดไม่ซื่อสัตย์ไม่ปฏิบัติหน้าที่ของตัวเองนะจะเอาดีไม่ได้ท่านมันเข้าหลักคนสมัยนี้พูดว่ามีคมรู้ทุ่มหัวเอาตัวไม่รอดนี่ันเป็นอย่างดังนั้นการปฏิบัติธรรมะเนี่ยรู้แล้วรู้แล้วต้องจดจําเข้าไปในมันสมองที่ไหนไม่ทราบเลยมันรู้แล้วมันไม่หลงไม่ลืมจริงๆมันไม่หลงไม่ลืมจริงๆรนี่มันเป็นอยังไง ดันั้นอาจารย์มาก็เลยเลิกละได้จริงๆเพราะเห็นทุกขุมทุกเนี่ยหายใจเข้าก็ทุกข์พอแหงแล้วกินน้ําลายก็ทุกข์ อ, อุพอแหงแล้วเนี่ยกินข้าวเคี้ยวข้าวเกี้ยวอ่หันก็ทุกแทบจะตายแล้วเดี๋ยวนี้แล้วยังซ้ำมีนําจะไปทําธุระอื่นๆเข้ามาทุกข์อีกแล้วนี่มันเห็นอย่างนี้จริงๆเมื่อเห็นอย่างนี้น้ําตามันไหลออกมาเลยอาตมา ไหลออกมาโอ้โหตายเราทำไมจึงไม่รู้สิ่งนี้เป็นทุกข์มันทุกข์จริงๆคนเราเป็นก้อนทุกข์สักนิดหนึ่งเราเห็นอยู่นั้นเห็นอยู่นั้นตลอดเวลาความเป็นไทยแท้จริงอยู่ที่ไหนไม่รู้จริงๆคนไทยก็ไม่รู้คนไทยไม่รู้ว่าเกิดเมืองไทยก็เป็นคนไทยแล้วเนี่ยอาจจะมาก็เข้าใจในสมัยเป็นหนุ่มไปเมืองลาวเขาว่าคนไทย ท่านไปกรุงเทพเขาว่าคนลาวทําไมเราก็เป็นคนไทยเนี่ยทําไมว่าลาวทําไมว่าไทยเอ๊ยสอกหาความเป็นไทยไม่รู้ไม่รู้รจริงๆรงอาจะมาเมื่ออายุสี่สิบหกปีเรารู้คนเป็นไทยได้แน่แ น, นอนจริงๆเรื่องเนี้ยความเป็นไทยหมายถึงที่เราเปิดประตูออกมาได้เดี๋ยวนี้เราอยู่ในปรงเราอยู่ในกรงรอบยัง เขาบอกความเป็นไทยไม่ใช้หมายถึงเอาเนื้อหนังอันนี้ก็มีจริงโดยสมมุติความเป็นไทยจริงๆหมายถึงจิตหลุดพน้นจิตหลุดพ้นจากความชักวนั่นแหละเรียกว่าความเป็นไทยพูดง่ายๆเราเคยพูดกันว่าความเป็นไทยหมายถึงจิตหลุดพ้นจากกิเลส ก, ก็ได้ด้วอจากความไม่รู้ก็ได้นี่าความเป็นไทยจิตจึงเป็นอิสระได้ ถ้าหากจิตยังไม่เป็นไทยจริงๆเป็นอิสระไม่ได้มันจะไปติดสมมุติไปติดอะไรต่างๆเหล่านี่แหละธรรมะเนี่ยจําเป็นมีอยู่แล้วมันถูกปิดเนี่ยเขาว่าอาวิชชาแปลว่าไม่รู้อวิชชาแปลว่าไม่รู้มันถูกคัว้วหน้าอยู่ตรงนี้ตลอดเวลาแต่เมื่อมาตักแคนขึ้นมาจะมีหงายขึ้นมาอย่างนี้พวกเราอยู่ที่นี่ก็คาย ค, า ย, คายกันนะ พูดนี่บางคนไม่รู้มันคั่วหน้าอยู่ตัวจิตที่เป็นอิสระควรเป็นไทยนั่นแหละมันคั่วหน้าอยู่มันไม่ถูกเปิดขึ้นมานี้อันคนไทยสมนโนครัวเป็นคนไทยหรือสาวพุทธเป็นสาวพุทธสมนโนครัวอันนั้นถูกน้อยไป่ถูกมากความจริง น, ะนั้นพูดให้ฟังถ้าเป็นคนไทยได้แท้นะโดยสมมติกันก็ได้นะเขาว่าคนไทยต้องรักษาติรักศาสนารักธรรม า, ากษัตริย์อ คำว่ารักซาดลักยังไงรักศาสนารักยังไงลักพระมหากษัตริย์ลักยังไงไม่รู้ไม่รู้จริงๆเรื่องนี้อ้าวอันนี้ขออภัยแต่พูดความจริงให้ฟังอย่างนี้คนไม่พอใจอย่างเช่นผู้ใหญ่บ้านคำ น, นันฮูตำรวจทหารเป็นคนไทยจริงๆแล้วทําไมไปทําอย่างนี้ ท, ทําทํำยังไงเอ๊บิดเบือนต่อหน้าที่จะถือว่าเป็นคนไทยรักซาดได้หรือ ไม่ได้นี่อาจจะมาสะลุดใจจริงๆข่าวนั้นน้ําตาไหลหมดเลยข่าวนั้นพูดความจริงให้ฟังนี่ว่าเมียก็ได้ไม่เอาไม่เทียงก็ได้ข่าวนั้นอยังเป็นโยมอยู่นะเอาผ้าผ้าอาบ น, น้ํามาเซตเน้ําตานเกล็เปียกทั้งผืนเลยมันคิดถึงประเทศชาติบ้านเมืองเนโอ้โหตาอย่างนี้ทําได้แมไปทําได้อย่างนี้ทําไหมนี่มันมันมันไม่เด็ดมันไม่ได้ไไดไไดทําตามหน้าที่จริงๆ ถ้าทำตามหน้าที่จริงๆน่ยโอ้ยมันความสุขความไม่ทุกข์มันมันทุกคนต้องทำงานเพื่องานเท่านั้นเองถ้าากทำงานเพื่อความทุกข์แล้วก็เดือดร้อนอันนี้พูดให้คมจริงฟังคนเดียวเนี่ยไม่ทำงานตามหน้าที่ทำงานเพื่อเห็นแก่ตัวมันก็เลยเดือดร้อนเท่านั้นเองจะถือว่าลักษาดไหมถูกคำพูดนั้นถูกเพราะกฎหมายเนี่ยครับ กฎหมายเนี่ยทุกสบับทีเดียวเขาไปลงมติกันแล้วรัฐมนตรีอะไรอาตมาไม่ทราบเพราะไม่เคยเรียนหนังสือเนี่ยแล้วก็ลงมติกันแล้วก็ต้องเสนอไปให้ในายหลวงนายหลวงก็ต้องอ่านอีกแล้วเห็นว่าที่นี่มันปกพรองก็นายหลวงก็ออยังไม่รับก็เอากลับขึบ้นมาให้พวกนี้พิจารณาอีกพิจารณาดีแล้วก็เอายืนขึ้นไปนายนหลวงอ่านแล้วเห็นว่าไม่ปกครองจะไม่เดือดร้อน ทั้งกฎเซนลงมาเอาลงมาแล้วก็มาทำเป็นกฎหมายแล้วแบบนี้ทำไมเราไม่เคารพเมื่อเราไม่เคารพกฎหมายเราจะถือว่าลักสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไหมลักไหมไม่ลักจริงๆเรื่องนี้ไม่ลักตามปกติเนี่ยมันต้องเคารพนี่เราทุกคนต้องทำงานตามหน้าที่อย่างนี้แต่ไม่ได้หวังว่าจะเอาลาบยุดอะไรอย่างที่นายข้าหารคนนั้นเลยมันตื่นตัวเพราะเราตื่นยนุนันเอง ถ้าหากทุกคนไม่ตือนยศตือนราบไม่ตือนสมมุติแล้วทําไปอย่างนั้นแหละหน้าที่ของเราทําอย่างนี้ต้องทําไปผิดถูกเป็นเรื่องธรรมดาอือันนี้เราวรมผิดที่ทำมาแล้วเลิกเราต้องตั้งตั้งต้นชีวิตกันใหม่ที่มานี้บัด น, นี้ถ้ทหารลักทาจริงๆอ่ะไม่ใช่รักแผดดินอันนี้นะแผดดินนี่ก็รักไว้แต่เพราะมีตําำรวจทหารดาีแล้วแต่ต้องเคารพกฎหมายนี่แหละ เมื่อกฎหมายตราอย่างไงต้องเคารพอันนี้เปรียวนรักชาติรักพระมหากษัตริย์รักศาสนารักอย่างไงคือพระพิชิตท่านสอนทําให้มันเป็นจิตบุขคลทําให้เป็นอิสระอย่าให้เขามายกย่อง ok ok ได้ทันว่าอย่างนั้นอันถ้าเขายกย่อง ok ok ได้ยังเป็นคนไทยไม่ได้เป็นได้โดยสมมุติเพียนั้นเองอที่นํามาเล่าให้ฟังวันนี้เดียวจะหาโอ้ยตายแล้วพูดอย่างนั้นเนี่ยใครจะรู้ได้ได้ ได้จริงๆเหมือนกับที่เราอยู่ในกรงเนี่ยเราเปิดประตูออกมาที่เราจะสว่างได้จริงๆเนี่ยที่ผมเคยพูดให้ฟังเหมือนกับคนเข้าไปในถ้ำเราจุดไฟขึ้นมันก็นมีความสว่างเล็กน้อยฟังนี่รู้แต่ใจมันไม่รู้จึงว่ามันทําชั่วได้ค น, นถ้าใจมันรู้สัมผัสได้จริงๆแล้วว่ามันจะทําไม่ได้เพราะว่าอันนี้เป็นของจริงจริงเนี่ย มีในคนทุกคนในเดี๋ยวนี้ที่พระเทวทัณฑ์สอนในน้อยสอนความจริงแต่ความจริงไม่มากสอนในน้อยและจะรู้ได้โดยวิธีไหนอันนี้ก็กลับหมอกพูดเหตุของมันทีแรกอาตมานี่ไม่รู้ก่อนที่จะรู้ก็มาสร้างจังหวะนี่แหละสร้างไปสร้างมาเดินจมกลมเดินหน้าถอยหลังเอียงซ้ายเอียงขวาก้มเงย ตาอ้าปากหายใจเข้าหายใจออกกืนน้ําลายเขารู้ที่แรกคืนน้ํำลายไม่ค่อยรู้หายใจเข้าหายใจออกเนืรู้กืนน้ำลายไม่ค่อยรู้ไม่ค่อยสนใจคือมันกืนไปตามธรรมดาวันนี้กืนน้ำลายเข้าไปมันรู้วันนี้รูคอเราเนี่ยคล้ายาคือมีสองรูลงไปหูนี่มันเปิดขึ้นมเอาลมออกข้างนี้เอากืนลงหูนี่เป็นเปิเปดเอาลมออกข้างนี้ ม, มันมัีสองลูกคือว่าท้องเราเนี่ยคือเข้าไปแล้วมันออกมาข้างลมเข้าข้างนี้ออกมาข้างนี้มันเป็นอย่างนั้นรู้อย่างนั้นรู้จริงๆเรื่องนี้โดยที่ว่าไม่ติดอยู่กับเสื้อไม่ติดอยู่กับผ้าไม่ติดอะไรทั้งหมดเลยมันรู้อันนี้มันรู้เข้ามาในมันสมองหรือมันรู้อยู่กับรูปเนีไม่แต่มันมีความรู้สักนิดหนึ่งถ้ามันรู้อยู่กับรูปรูปตายไปถ้าคนตายแล้วรู้ไมไม่รู้ความรู้อันนี้จะไปปลูกฝังให้กันได้ไหมไม่ได้ หยิบยืดเน้อกันได้ไหมไม่ได้ควรมรู้ธรรมะจริงๆนั่งจริงจะรู้ล่วงหน้าไม่ได้คาดคิดไม่ได้เดาเอาเองไม่ได้มันต้องควรมเป็นเองจึงว่าทําอย่างนี้แหละมันไปเป็นอย่างนั้นก็เลยไม่รู้วิธีจะสอนกันทําอันนี้ทํามันไปเป็นอย่างนั้นเป็นได้เพราะเรื่องอะไรไม่ทราบเลยพราะเราทําอย่างนี้เราก็เป็นอย่างนั้นทุกคนต้องทําอย่างนี้ก็ต้องเป็นอย่างนั้นแล้วก็แน่เท่านั้นเอ ง, เองนี่มีพูดให้มา พอดีมันเป็นแล้วมันก็รู้โอ้ทําไมเรามาทําอย่างนี้ทําไมไปเป็นอย่างนี้เนาะแต่มันคิดได้ขึ้นเอมันทํำยังไงกันเนี่ยคิดหาเหตุผลไม่รู้เลยแอ่เพียงเต่เอาควมรู้สึกนี่ยเว้ความไม่รู้มันจะหายไปเองได้แต่เท่านั้นเองให้มันรู้แล้วความไม่รู้มันหายไปเองหายไปเองอันที่มันโค่นหน้ามัายักหนายหน้าเหมือนกับเด็กน้อยนี่ยมันมันนอนโค่นหน้ามาเนี่ย มันหายใจฟู่เด็กน้อยเดีมันเดี๋ยวว่าทาลกก็ได้เด็กน้อยก็ได้เกิดขึ้นมาใหมันเอามานคว่หน้ามันพลิกขิงไม่ได้มันก็ร้องอยู่นะมันก็พยายามพลิกขิงอยู่นัเนี่ยมันพลิกไม่ได้แล้วมีคนช่วยมันอันนี้ไม่กเหมือนกันแต่ว่าเราคว่หน้าอยู่เดี๋ยวนี้เนี่ยเราก็พยายามจะพลิกหน้าก็ต้องวิธีจะพลิกหน้าก็คือเจริญสติตรงนี้มันจะหายขึ้นมาคนเดียวเด็กน้อยนะเมื่อเอามันคว่หน้าลงแล้วมันมีแรงแล้วหายขึ้นมาคนเดียวมันไม่ต้องไปสอนมันเลย รวมเป็นอันนี้ก็เหมือนกันไม่ต้องสอนสอนไม่ได้เพียงแต่แนะวิธีเท่านั้นเองนี่ขวอมจริงหลักพุทธศาสนาเนี่ยสอนเรลูกความเป็นไทยและคนไทยก็สอนเรลูกความเป็นไทยแต่เราไม่รู้ว่าไทยแท้อยู่ที่ไหนนึกว่าอยู่กับอะไรใบประกาศนิยบัตรผู้ที่เรียนสูงๆนะ่ะแล้วอะไรว่าพูเมื่อกี้เนี่ยนื้สัญญาบัตรแล้วกับผู้เรียนนักทำเตียงเอาใบประกาศนั้นกลนเป็ น, ปนอันนั้นมันเป็นเรื่องสมมุติ มันไม่ใช่เป็นเรื่องจริงเกิดจริงโดยสมมุติเท่านั้นเองเรื่องพูดให้ฟังวันนี้ก็บางคนก็อาจจะที่มาเนี่ยอาสมาก็ไม่รู้มีคมรู้สูงคนกรุงเทพมาก ป, ปริญาทั้งนั้นเอยไปทอดยศปริญาได้ไหมได้ทอดได้เป็นพระครูพระเเจ้าคุณทอดได้เมื่อเขาไม่พอใจถอดได้แต่ควารู้นี่ถอดไม่ได้จริงจริงอย่างเทพครูเนี่ย ถ้าเป็นรูเขาทอดนด้โคได้ไหมเนี่ยมันเป็นเรื่องสมมติเอาเข้าเอาออกให้กันได้เราจะไปติดทำไมสมมติเอาโดยกฎของธรรมชาติจริงจริงว่าให้เราเป็นอิสระได้จริงๆวันนี้เมื่อมาปฏิบัติธรรมะก็เลยรู้คนไทยจริงๆคำว่าไทยไทยนี่หมายถึงเป็นอิสระแต่ไม่ใช่อิสระอยากพูดอะไรพูด อยากทำอะไรทำไปโดยไม่เคารพนับถืออ น, นั้นไม่ใช่เป็นคนไทยเขาเรียกว่าคนป่าคนไม่รู้คนแบบนั้นคือว่าอันธถ า, านคนไทยเนี่ยต้องเป็นอิสระจริงๆต่อมาได้ถามพูดความจริงแนละถามอาจารย์ทวีวัตรว่าเอ๊ะ รวมเป็นไทยนี่เป็นยังไงอาจารย์ไทยวัดก็เลยเล่าให้ฟังว่าพระเจ้าแผ่นดินรัชกาลที่ห้าปลดปล่อยธาตแต่เรื่องนี้ก็จําได้พ่อก็ะลอนให้ฟังจะจำไม่ได้จําไม่ได้ก็เลยถามเพื่อนรัชกาลที่เท่าไหร่บอกว่ารัชกาลที่ห้าปลดปล่อยธาตให้เป็นอิสระบ้านอาตมามีธาตุยบข้อยคนเลือนคนไซ้์กัว เด็กๆ ก, ก็ถ้าเป็นเจ้าของบ้านแล้วคนเป็นทาสนะ่าต้องกลัวใจอะไรก็ต้องทําไปทั้งหมดเลยเี่ยเป็นอย่างไนอันนี้ก็ควรมเป็นทาสของคนจริงๆแต่ที่จะนํามาเล่าให้ฟังในวันนี้คําว่าควรมเป็นไทยเนี่ยหมายถึงเป็นอิสระคือจิตใจหลุดพ้นให้เข้าใจอย่างนี้คุณให้ฟังเนี่ย จำได้แต่บางคนอาจจะไม่รู้วิธีทำคาว่าจิตหลุดพ้นรมอย่างไรจิตจึงจะหลุดพ้นได้พระพุทธเจ้าสอนแล้วว่าจิตเป็นอิสระเป็นประภักษอเรียกว่าจิตหลุดพ้นเป็นอย่างนั้นดังนั้นการกระทําเรื่องนี้มีทางเดียวเรียกว่าทางสายเอกกันคือการเจริญสติจเจริญสมาธิจเจริญปัญญา คำว่าจเจริญสตินี่สติเป็นเพียงคำพูดสติเรียกว่าความระลึกได้สัมปาชญะความรู้ตัวพูดภาษาบ้านเราเรียกว่าคนลืมตัวคนไม่รู้ตัวเองต่อมาเมื่ออายุสี่สิบหกปีนี่แหละไปปฏิบัติธรรมวิธีเคลื่อนไหว รู ก, กลางเกงขาสั้นบ้างขายาวบ้างเป็นโยมอย่างพวกโยมมานั่งอยู่ที่นี่แหละเป็นโยมไปปฏิบัติธรรมรู้ขึ้นมาเพราะทําความรู้สึกตัวนี่แหละพลิกมือขึ้นก็รู้ยกมือขึ้นก็รู้มีสติเข้าตามรู้จริงๆความไม่รู้มันเลยหายไปหายไปความรู้มากขึ้นมากขึ้นเหมือนวิธีบวกกับลบนี่แหละ ลบความไม่รู้หนีไปบวกความรู้มากขึ้นมากขึ้นจนเต็มเรียกว่าเต็มคำว่าเต็มนี่หมายถึงนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเมื่อสิบล้วก็สมบูรณ์แล้วถ้าจะนับไปถึง1อยก็นับไปถึง1อยก็สมบูรณ์ไปอันนี้ก็เหมือนกันทำจังหวะนี่มากขึ้น รู้เอียงซ้ายเอียงขวารู้ทิพตาอ้าปากรู้หายใจเข้าหายใจออกรู้กืนน้าลายผ่านลงไปในลาคอรู้เอียงซ้ายเอียงขวาก้มเงยรู้รู้ทุกวิธีอันนี้เรียกว่าสมบูรณ์ที่ว่าเต็มบริบูรณ์เมื่อเต็มแล้วเกิดความคิดหรือปัญญาสนิดหนึ่งให้เรารู้ตัวเอง รู้ตัวเองก็ไม่ได้รู้อะไรรู้ลูกผู้นามนี่แหละอย่างที่เคยพูดให้ฟังพูดความอื่นไม่เป็นหรือหลวงพ่ออาจจะคิดอย่างนั้นเป็นแต่มันไม่จริงความจริงนี่เปลี่ยนแปลงไปไม่ได้ต้องรู้อย่างนี้รู้อย่างอื่นไม่ถูกต้องเพราะศึกษาตัวเองก็ต้องรู้ตัวเองรู้ลูกรู้นามรู้ลูกทำรู้นามทำ รูรูปโลกรูนามโลกรูปโลกนามโลกมีสองอย่างโรคทางกายโรคทางเนื้อหนังต้องไปหาหมอที่โรงพยาบาลหมอที่โรงพยาบาลจะตรวจเซ็คกลางกายว่าเป็นโรคชนิดใดหมอจะให้ยารักษาโรคอันนั้นหายได้แต่โรคชนิดหนึ่งความดีใจเสียใจพอใจไม่พอใจ อันนี้คือว่าโรคจิตวิญญาณบางทีหมอก็เป็นอีกด้วยซ้ำไปนอนไม่หลับมือกายหน้าผากคิดไม่หยุดไม่เศา อ, อันนี้หมอก็เป็นจะรักษาโรคอันนี้จำเป็นต้องศึกษาปฏิบัติตามแบบพระพุทธเจ้าจึงจะรู้ได้เห็นได้เข้าใจได้อย่างนี้เมื่อรู้อย่างนี้ก็เลยรู้ทุกขังอ น, นิจจังอนัตตาทุกขังอ น, นิจจังอนัตตาตามตาลา ครูบาอาจารย์สอนให้ว่าผมงอกฟันหักเนื้อหนังนี่มันแห้งเข้าย่นย่อไปแต่ความจริงอันนั้นถูกน้อยไม่ถึงร้อยเปเซนเมื่อมาศึกษาเรื่องนี้คนเราเป็นก้อนทุกสนิดหนึง่งตัวการเคลื่อนไหวตัวอิริยาบถนั่นแหละเป็นตัวทุกพระพุทธเจ้าจึงสอนให้กำหนดในอิริยาบถ ดังนั้นคนเราเกิดมาก็เลยอยู่ด้วยทุกข์กินด้วยทุกข์นั่งด้วยทุกข์นอนด้วยทุกข์เคลื่อนไหวไปมาไปด้วยทุกข์ทั้งนะั้นจึงไม่รู้จากทุกข์เรื่องนี้เตืนอ น, นเมื่อมาลู่จากทุกข์นี่แหละก็เลยเลิกได้สิ่งที่ไม่มีสาระก็เลิกได้เลยรู้จริ ง, ร, งรู้ทุกข์แล้วก็เลยรู้สมมุติขึ้นมาสมมุติ ผีสมมุติเทวดาสมมุติอะไรรู้ให้ครบให้จบให้ทวนรู้จริจรงๆเรื่องนี้เมื่อรู้เรื่องนี้แล้วก็เลยรู้ศาสนาศาสนาจึงมีมากศาสนาแปลว่าคําสั่งสอนของท่านผู้รู้บัด น, นี้พุทธศาสนาเพุทธศาสนาเนี่ยสอนให้รู้สึกตัวบัด น, นี้ศาสนาพุทธเนี่ย จึงว่าไม่เหมือนกับศาสนาผีไม่เหมือนศาสนาพราหมณ์ไม่เหมือนศาสนาเทวดาเป็นพุทธศาสนาจริงๆดังนั้นเมื่อเราศึกษาหลักพุทธศาสนาจริงๆแล้วรู้จักจริงๆพุท ธ, ธะเสี้ยวผู้รู้ศาสนาเป็ว่าคําสอนสอนเข้าหูทุกคนต้องมีหูสัตว์ก็มี ส ต, ต่มันจำไม่ได้แต่คนนี่มันจำได้สอนแล้วจดจำได้จึงว่าตัวคนทุกคนนั่นแหละเป็นตัวศาสนาพุทธศาสนาบือนเดียพุทธะแปียวผู้รู้สอนให้พึงตนเองตอนนั่นแหละเป็นที่พึ่งของตนพระพุทธเจ้าสอนพึ่งใครไม่ได้จะพึ่งผีก็ไม่ได้พึ่งเลือกงามยามดีก็ไม่ได้พึ่งเทวดาก็ไม่ได้สิ่งเหล่านั้นไม่ได้ทั้งหมดเลย บัดนี้มาเจริญสตินิทู้จักศาสนาลู่จากพุทธศาสนาลู่จักบาปรู้จกัจกบุญจริงๆแล้วบัดนี้อาตมาก็เลิกข้านั้นเป็นาธาตุของบุเรออาตมาสุ บ, บุเร่แล้วกัดดืเบียร์อีกนะด้วยเนะี่ยเป็นาธาตุของสิ่งเสรตจิดพอดีรู้อันนี้ก็เลิกได้เด็ดขาดมาตั้งแต่อายุสี่สิบหกปีมาถึงอายุ เจ็ดสิบสามปีนี้เราไม่เคยเอาบุหรี่เข้าปากเลยเห็นว่ามันเป็นทุกจริงจริงคนเรามันเป็นก้อนทุกสนิดหนึ่งหายใจข้าวหายใจออกกินข้าวกินน้าก็ทุกพอแล้วยังไปเอาสิ่งเสพติดเข้ามาเป็นนายเราอีกด้วยนี่มันเป็นยังอันนี้เรียกว่าจิตใจเป็นอิสระเหนือจากกิเลสไปได้แต่ตอนนี้ยังยังเข้าใจน้อยนะเนี่ยเพียงเลิกละจากสิ่งเหล่านั้นได้ บัด น, นี้จะพูดให้ฟังอีกพักหนึ่งเพราะว่าเรามาพบกันก็ต้องพูดความจริงให้ฟังทุกคนอยู่ที่นี่ถามคงจะเข้าใจเนี่ยเด๋ยนนี้จิตใจเป็นยังไงทุกคนเอาถามเนี่ยเป็นยังไงโยมเป็นทุกข์เพราะเรื่องอะไรอ๋อเป็นทุกข์เพราะสิ่งนั้ น, นบัด น, นี้เอาคุณซานเป็นยังไงใจเฉยๆเอาบัด น, นี้พ่อวิเป็นยังไงจิตใจ เฉยๆธรรมดาแต่คนเนยโยมเนี่ยมีมีความพอใจในในการปฏิบัติธรรมคิดเยอะแต่ความจริงลักษณะจิตใจของคนเป็นเสยๆเสยๆยอย่างนี้มีทุกคนยกเว้นไม่ได้จะเป็นเด็กเป็นคนแก่หรือเป็นเนนเป็นพระเป็นใครๆก็ตามลักษณะเสยๆเยนยโยมไม่ต้องไปหาของไม่มี ของที่มีแล้วแปลว่าไม่เอาอัลักษณะเสยๆนี่เรียกว่าอุเปขาจิตใจเป็นอุเปขาวางเสยอย่างนีการแสวงหาครูบาอาจารย์นั้นยากที่สุดยากบุคคลที่จะมาแสดงทำให้ฟังเรียกว่าสตตะบุรุษบุคคลที่รู้เมื่อไปถึงท่านแล้วก็ยังไม่ฟังคำท่านได้ฟังไม่รู้เรื่องเลยฟังท่านแสดงก็ได้ เป็นยังไแต่ว่าอันนี้ไม่ใช่เป็นคนรู้เป็นธรรมดาในเขียนหนังสือไทยไม่เป็นเขียนหนังสือไทยไม่เป็นเดี๋ยวนี้เขียนไม่เป็นพูดภาษาไทยก็ไม่ของตัวเสียงพูดได้อย่างนี้ดังนั้นจิตที่มีกิเลสนั่นจิตเป็นอิสระไม่ได้จะเป็นใครที่ไหนก็ตามเรียนรู้สูงสูงก็จิตยังเป็นทาตของขุมอยากจิตยังเป็นทาตเป็นทาตกิเลส เป็นอยางนั้นบัด น, นี้มีเงินมากมบัด น, นี้คนนั้นจะมีความสุขไหมมีความสุขเขาว่ามีความสุขแต่เมื่อมาพิจารณาแล้วเป็นทาสของเงินเป็นทาสได้มาแล้วก็บางคนนะเก็บไว้เอาไว้ที่ไหนกลัวเขาจะมาลักมันเป็นวัตถุเป็นสมบัติภายนอกเอาไปฝากธนาคารไว้ไปฝากธนาคารแล้วก็ไปหาอีกแล้ว เ, เงินไปฝากธนาคารเอามาใช้ไม่ได้ จำเป็นต้องไปถอนเงินแล้วไปหามาไปหามาไปฝากธนาคารอีกอันเนี้ยส่วนเราเป็นทาสของความหลงผิดดังนั้นควอมผิดจึงเป็นคูเราต้องรู้จักมีเงินมากๆได้ดีอาจจะมาไม่ประจุสธมีเงินมากคนใดไม่มีเงินก็ต้องช่วยเขาบ้างเขาไม่รู้จักวิธีหาเงินก็ต้องช่วยแนะนำเขาทำอย่างนั้นทาอย่างนี้คุณให้เงินเขาเขาทาให้